วันนี้ผมจะพูดเรื่องที่เรียกได้ว่าพิเศษคือผิดจากธรรมดาแล้วก็โดยหวังจะให้ได้รับความรู้พิเศษทั้งเรื่องของธรรมะและทั้งเรื่องของ วิธีพูดขอให้คุณตั้งใจฟังดีๆเชื่อว่ามีประโยชน์พิเศษกว่าธรรมดาเพราะว่าจะพูดให้เข้าใจสิงสองอย่างพร้อมกันคือเรื่องธรรมะเรื <c oughs> ่องหนึ <c oughs> ่งและก็เรื่องวิธีการพูดธรรมะอีกเรื่องหนึ่งก็โดยใช้หัวข้อว่า สวนโมกอยู่ที่ไหน <c oughs> ว่าคล้อยเรื่องที่พูดมีว่าสวนโมกอยู่ที่ไหนอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องพูดเล่น <c oughs> แต่เป็นเรื่องที่จะช่วยเข้าใจธรรมะ และวิธีพูดธรรมะฮะซึ่งเชื่อว่าคงจะเคได้ยินได้ฟังกันมาแล้วว่ามีวิธีพูดอยู่สองอย่างคือโดยภาษาคนและภาษาธรรมแต่ว่ามันไม่ใช่เพียงสองอย่างแค่นั้นนะเพราะว่าภาษาธรรมมันพูดได้หลายอย่า ง, างภาษาคนมันก็ดูจะอย่างเดียว ถ้าถามว่าสนมุกอยู่ที่ไหนมีทางที่จะตอบได้ถึงสี่อย่างก็ตั้งใจฟังดีๆสนใจให้มันเข้าใจเรื่องที่จะพูด คำตอบมีได้ทั้งสี่อย่างมันคือเป็นภาษาคนสักอย่างที่ไม่ใช่ภาษาคนอีก ส, สองสามอย่างเ <c oughs> มื่อถามว่าสวนบกอยู่ที่ไหนจะตอบภาษาคนธรรมดาธรรมดาหะองมันก็ว่าอยู่ที่เลขที่ หกสิบแปดหมู่ที่หกํำบลละเม็ดอำเภอชั ย, ยาจังหวัดราทธานีนะซึ่งเป็นภาคใต้นี่มันก็ตอบอย่างนี้นี่คือธรรมดาที่สุดอันนี้ไม่ไมยากข้าใจได้ง่ายที่อย่างที่สองมันเป็นตอบภาษาไม่ใช่ภาษาคนจะได้าภาษาธรรมะก็ได้แต่ไม่ใช่็มขนาดาก็ได้ภาษาจิต ถ้าสิ่งต่างๆนะั้มันรู้สึกที่จิตถ้าไม่มีจิตมันก็เท่ากับไม่มีเพราะจิตมันสัมผัสสิ่งนั้นแล้วก็มันก็อยู่ที่จิตที่รู้สึกสิ่งนั้นใช่อย่างนี้ก็เรียกว่าสวนโมกมันอยู่ที่จิตที่เห็นสวนโมกอยู่ที่ไหนนี่ก็เรียกาภาษาจิตหรือภาษาข้างใน ไอสวนโมกจริงมันจะอยู่ที่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าถ้ามันไม่มีจิตไปสัมผัสแล้วมันก็ไม่มีไม่มีความหมายเหมือนกับไม่มี <c oughs> ดังนั้นจิตที่สัมผัสสวนโมกแล้วสวนโมกเข้าไปปรากฏในจิตเข้าไปรู้สึกอยู่ที่จิตในฐานะเป็น อารมณ์ที่เป็นอายตนะภายในมันมีอะไรทุกอย่างครบบริบูรณ์เหมือนที่จิตมันรู้สึก <c oughs> อย่างนี้ก็แตลว่าสันโมกน่ะมันอยู่ที่จิตที <c oughs> ่นี้ถ้าเป็นภาษาที่ลึกไปกว่านั่นเป็นภาษาธรรมะ มันก็จะตอบเป็นทางว่าฮะคนมีจิตเกลี้ยงอยู่ที่ตรงไหนที่ตรงนั้นเป็นสวนโมก <c oughs> จะเป็นป่าไม้หรือเป็นสวนหรือเป็นอะไรก็ตามอ่ะคนที่จิตมันโมกคือจิตมันเกลี้ยงจ่าเก๋ย์กิเลจากสิ่งศกปกิ์คนจิตเกลี้ยง ไปอยู่ที่ตรงไหนอสถานที่ตรงนั้นก็ได้ชื่อว่าสวนโมกที่ป่านี้ก็ได้ป่าไหนาก็ได้ที่ตรงไหนก็ได้คนมีจิตเกลี้ยงคือจิตโมกไปอยู่ที่ตรงไห น, นก็เรียกว่าที่ตรงนั้นเป็นสวนโมก ทีนี้ถ้าเขาดูกันละเอียดยิ่งไปอีกยิ่งขึ้นไปอีกไอ้โมกคือภาวะของโมกเกี้ยงสะอาดบริสุทธิ์จากฤทเล์นั่นนะมันอยู่ที่ไหน <c oughs> มันกลายเป็นว่ามันอยู่ในจิต <c oughs> มันอยู่ในจิตนี่มันสวนโมกมันไปอยู่ในจิตของคนที่มีจิตเกลี้ยง ถ้าคุณเข้าใจดีทั้งสีความหมายแล้วก็จะรู้ธรรมะมากด้วยแล้วก็จะรู้วิธีพูดธรรมะที่มากด้วยอย่างที่หนึ่งพูดภาษาคนธรรมดาตามธรรมดางที่รู้กันโดยคนธรรมดาพูดกันอยู่โดยคนธรรมดาว่าสวนโมก อ, อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่วัดสวนโมกที่หมู่ที่หกตำบลละเมดครับ อำเภอชายาจะ <c oughs> ถ้าพูดว่าถ้าพูดโดยโดยภาษาที่ดีกว่านั้นภาษาที่จริงกว่านั้นจเรียกภาษาจิตไอ้จิตที่เห็นสวนโมกนั่นแหละมีสวนโมกนั้นสวนโมกนมั้นอยู่ที่จิตนี้ยังไม่เป็นธรรมมธ ร, รมโมเลยนะักมันค่าๆกับวิทยาศาสตร์อทางจิตหรือรภาษาจิต แต่วิทยาธรรมดาธรรมดาแต่เขาก็เอามาใช้เป็นเรื่องธรรมะได้เหมือนกันเช่นเรื่องของพวกเส้นที่เขามีวิธีพูดใกล้นี่นั่นคือ ในเรื่องนั้นมันมีว่าพระสององค์มันทะเลาะกันคือองค์หนึ่งก็พูดว่าไอ้ธงที่แขวนว่ายถูกลมแล้วมันไหวไอคนที่มันพูดภาษาคนไอ้ธงที่ถูกลมพัดมันก็ไหวทีนี้พระองค์หนึ่งล่ะบ้าจิตของคนของคุณเองมันไหว นี่มันพูดลึกกว่าอจิตของคุณที่มันไหวไปตามที่มันรู้สึกว่าลมเว่าว่าทงไหวไม่ใช่ทงไหวแต่ว่าจิตของคุณะมันไหวคุณคุณคุณสังเกตตัวเขามีวิธีพูดอย่างนี้กันสิวิธีหนึ่งคือพูดภาษาจิตที่นี้พูดภาษาธรรมะทนธรรมดาธรรมดานะซึ่งมีในบาลีมีในอัตตกะถาพูดถึงมากเหมือนกันถ้าเรามาถึง ส่วนโมกซึ่งแปลว่าเกลี้ยงคือจิตเกลี้ยงจากกิเลสเ้าก็จะพูดว่าไอ้คนจิตเกลี้ยงจากกิเลสอยู่ที่ตรงไหนตรงนัน้นนั่นแหละเป็นส่วนโมกหรือเป็นที่โมกยังจะใช้อย่างอื่นก็ได้แต่ว่าให้ขอให้ขัดใจเป็นเป็นหลักว่าไอ้คนชนิดนั้นมันมีอยู่ที่ไหนที่ตรงนั้นมันจะปล่อยรายชื่อเป็นอย่างนั้นไป นี่ก็เป็นธรรมะเป็นภาษาธรรมะคือไม่เอาพื้นที่ไม่เอาเนื้อที่ไม่เอาสมมติเป็นหลักอะเอาธรรมะเป็นหลักคนมีจิตเกลี่ยงอยู่ที่ไหนตรงนั้นเรียกว่าสวนโมกนันอยู่ที่ไหนก็ได้มันจะกลายไปเป็นถึงว่าไปอยู่ที่บ้านคุณก็ได้สวนโมกถ้าคุณมีจิตเกลี่ยง ที่อันสุดท้ายละเอียดเขไปเองเป็นภาษาธรรมะชั้นละเอียดทีนก็ แ, แต่ว่าอยู่ในจิตที่เกลี้ยงสวนโมกอะอยู่ในจิตที่เกลี้ยงคือภาวะของจิตที่เกลี้ยงจากสิ่งหุ่มหอบลุงต่างอิทื้อนะภาวะนั้นมันอยู่ในจิตอยู่ที่จิตที่อยู่ในจิตก็แล้วแต่จะเรียกมันก็อยู่ที่นั่นนะ่ะมันจึงว่าสวนโมกเข้าไปอยู่ในจิต ทีนี้พอคุณเอาทั้งไอ้สีความหมายเนี่ยมารวมกันเข้ามันก็เกิดการอเถียงกันได้เทียงกันเคนตาบอดคําชา่างคนนั้นว่าคนอย่างนั้นคนนั้นว่าอย่างนี้แต่ที่มันน่าจะเถียงกันแหละอยากจะให้ให้คิดกันสักบ้างก็คือมันจะถามขึ้นว่า คุณน่อยู่ในสวนโมกหรือว่าสวนโมกอยู่ในคุณอพวกคุณอยู่ในสวนโมกหรือว่าสวนโมกอยู่ในพวกคุณอืค่ความคิดโดยถ้าเราพูดตามความรู้สึกธรรมดาก็เราอยู่ในสวนโมกกะนะันแล้วมาอยู่สวนโมกก็อยู่ในสวนโมกนี่ภาษา็นธรรมดาเรียกว่าไม่มีความลึกซึ้งหือเชียบแลนใดเลย ถ้าพูดว่าเราอยู่ในสวนโมกแต่ถ้าพูดว่าสวนโมกอยู่ในคนที่จิตเกลี้ยงสวนโมกอยู่ในเราที่จิตเกลี้ยงนี่มันตับตรงกันข้ามมันถูกกว่าแต่ว่ามันกลับมีได้ยากเพราะคนจิตมันไม่เกลี้ยงในจิตคนมันมันไม่มีสวนโมกตอนนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นการพูดที่เราก็พูดได้ว่า เราอยู่ในสวนโมกหรือสวนโมกอยู่ในเราพยายามทำความเข้าใจถ้าพูดให้มันเป็นกลางๆทั่วๆไปเพียงอย่างเดียวมันก็พูดว่าสวนโมกมันอยู่ในหัวใจของคนที่จิตเกลี้ยงนี่ถูกที่สุดแล้วก็เป็นการพูดโดยภาษาธรรมที่ลึกซึ้งที่สุดเลย แ้่สังเกตว่าดีๆจะมีประโยชน์ตอนพูดอย่างนี้หรือทำอย่างนี้จะมีประโยชน์ <c oughs> ทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องจิตมันเกลี้ยงหรือไม่เกลี้ยงกันสิจิตของเราเป็นอย่างไร <c oughs> จิตของเราเต็มไป ด, ด้วยลิงเวียนฝูงๆ ใ, ในจิตของเราเต็มไป ด, ด้วยลิงเวีนฝูงๆลิงแห่งตัวกู่ตัวกูขคองกูมีลิงอยู่เป็นฝูงๆในจิต <c oughs> มันจะเกลี้ยงได้นลมันก็เกลี้ยงไม่ได้นี่ถ้าาฟังไม่ถูกมันก็กลายเป็นพูดเล่นจะรู้สึกว่าพูดเล่นแล้วโกรธเสียแล้วก็ไม่ฟังเสียมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งคนพูดและคนฟังอย่าเพเห็นว่าเป็นเรื่องพูดเล่นเล่นยมันพูดเรื่องจริงที่กว่าจริงยิ่งกว่าจริงแต่มันฟังดู ใ, น ใ, นใกล้กับพูดเล่นเพราในจิตของคุณมัน เต็มไปด้วยลิงเป็นูงๆแห่งตัวกูเอาละพูดกันให้เกลี้ยงให้ชัดให้ชัดอีกว่าจิตเกลี้ยงกับจิตไม่เกลี้ยงนะพูดร้องกันไปเป็นเป็นการเรียบเทียบทำมันฟังง่ายดีจิตเกลี้ยงคือไม่มีอะไร ที่เป็นความหมายแห่งความรกคำว่าความรกนี่ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องว่าความคิดแล้วมันจะรกไปหมดนะมันต้องความคิดชนิดที่เป็นความรกคือความคิดที่ว่าเป็นตัวกูของกูจิตตรงแต่งชนิดที่มีความหมายเป็นตัวปูของกูนี่คุณคาเข้าใจคำว่ารกให้ดีๆในจิตมีสิ่งรกมีของรก รุงรังไปหมดแล้วมันไม่เสี่ยง <c oughs> นี่มันมีความหมายละเอียดซ่อนอยู่ <c oughs> อาจจะไม่รู้จักคำว่ารกที่ตรง ท, ที่อะไรก็ได้เช <c oughs> ่นคำกล่าวอีกคำหนึ่งว่ามันรกอยู่ที่มีความหมายเป็นรกไม่ได้รกอยู่ที่ตน้นไม้ต้นหญ้าตน้น อ่าตน้นต้นไม้เนี่ยมันเหมือนที่เรียกว่าป่านะป่านะ่ะมัน ม, มันมันมันรคแต่ความรคไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีคํำสอนอยู่ประโยคหนึ่งว่าจงตัดป่าอย่าตัดต้นไม้ก็หมายความให้ตัดความรครบลุลลงรังออก ใ, ให้หมดแต่อย่าตัดต้นไม้เพราะต้นไม้ไม่ใช่ความรค ไ, ไม่ใช่ตัวรก ตัวรคมันอยู่ที่ตัวป่า <c oughs> หรือว่าไอ้รูปภาพในตึกโน้นของเรามีอยู่ภาพหนึ่งที่ว่าในความคโน่ะมันอยู่ที่แม่น้ํามันไม่ได้อยู่ที่น้ํา อ, อ่ำแม่น้ําคดแต่น้ําไม่ได้โคตรความคดอยู่ที่ตัวของแม่น้ําคดไปโคตมาแต่น้ําที่ไหลไปในนั่นน่ะไม่ได้คด เรือน้ำมันกคตรไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นคิดว่าจิตร ก, กเหมือนกันนะจิตมันไม่ได้โรกด้วยความคิดอย่างอื่นอ่ามีความคิดชนิดที่ไม่มีตัวกูแล้วไม่เรียกว่ารค ก, ก็ไม่ใช่กิเลสถ้าจิตมันมีความคิดประเภทกิเลสนานาชนิดที่สรุปเรียกว่าตัวกู้ตัวกูเนะนี่ยมันกคือจิตที่มันโรก ถ้ามันมีความคิดอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่กิเลสเช่นปัญญาส ต, ติ ส, สัมมาชนญะอะไรก็ได้อย่างนี้ไม่เรีย ก, กว่าโรคนั่นคำว่าจิตเกลี้ยงน่หมายถึงจิตที่ไม่มีความคิดประเภทตัวกูของกูเรื่องตัวกูของกูนี่เคยพูดกันมาแล้วนะไ ม, ไม่ต้องพูดอีกเสียเวลา มีความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเป็นตัวกูมันก็มีการคิดประเภทของกูตามเป็นเงามาแล้วไม่ต้องสงสัยถ้ในจิตนั้นมีความคิดอย่างอื่นเช่นความเฉลียวฉลาดอ่หรือว่าอความคิดนึกที่ไม่ได้มีความหมายแห่งตัวกูแล้วก็ก็เรียกว่าไม่มีกิเลสหรือไม่มีของรกเป็นจิตเกลี้ยงจากตัวกูนั่นคำว่าเกลี้ยงนี่มันหมายถึงเกลี้ยงจากตัวกู จิตก่อนที่จะเกิดความคิดว่าตัวกูเป็นจิตเดิม <c oughs> ถ้าว่าที่จริงแล้วให้ตามปกติตามธรรมชาติถ้าถ้ามันก็ไม่ได้เกิดความคิดประเภทตัวกู้มันมีจิตธรรมชาติและความคิดตามธรรมชาติที่ยังไม่เป็นตัวกูของกูแต่เมื่อมีอะไรมายั่วมาล่อมาปรุงมันจึงไอ้ความคิดประเภทตัวกูมันจึงจะเกิด ซึ่งเราก็อธิบายกันมามากแล้วว่าทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางจิตเองมันมีอารมณ์เข้ามาหากระทบเกิดปัจจัเกิดเวทนาเกิดตัณหานั่นนี่คือาทานตัวกูนี่ตามที่มันอยู่ตามปกติแต่เดิมนั้นไม่มีตัวกูแต่พอมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ปรุงปรุงปรุง ป, งปงุเป็นลําดับไปจนเกิดตัวกู ท่านจึงถือว่าจิตที่มีตัวกูหรือเกิดตัวกูนี่เป็นจิตใหม่ของใหม่อซึ่งเกิดความรกขึ้นมาอืไม่เกลียลกล้ยงแล้วไม่เกลี้ยงแล้วอก่อนนี้ไม่มีสกรปรกโดยเรื่องตัวกูของกูยังเกลี้ยงอยู่พอปรุงกันอย่างนี้แล้วก็เป็นจิตที่รกสกรปรกคุ้มพอผูกพัน่อยู่ด้วยความหมายแห่งตัวกู น่าจะเรียกว่าจิตเดิมก็ได้จิตล้วนๆก็ได้จิตตามธรรมชาติจิตที่ยังไม่ปรุงแต่งจิตที่ยังว่างอยู่นั่นคือจิตเกลี้ยงที่พอจิตไม่เกลี้ยงจะเรียกว่าจิตอะไเดียวจิตจิตรบจิตรบปรุงรังมันก็เป็นจิตที่ปรุงขึ้นมาเพราะตัวกูเข้าไปเข้าไปรวมอยู่ด้วยมันก็เสียปกติเดิมเสียสภาพปกติเดิมคือไม่ปกติแล้ว เสียธรรมชาติเดิมเสร็จแล้วก็ถูกปรุงด้วยกิเลสปรุงเป็นกิเลสแล้วแต่กรณีแล้วก็เป็นจิตที่หุ่นวายนี่จิตไม่เกียร <c oughs> อวันก่อนเราก็เลยพูดกันถึงเรื่องว่าสังเกตอย่างไรนะที่ว่าจิตมีตัวคู่เกิดขึ้นแล้วจิตมีตัวคู่เกิดขึ้นแล้วซึ <c oughs> ่งก็ยกตัวอยา่า <c oughs> งด้วยจิต ที่เมื่อเห็นบุรุษเปรตดีเดินเข้ามาในบ้านนี้เป็นตน้นนะจ๊ะจำไวด้ดีแล้วมันได้กระเพื่อมไปในทางที่จะเกิดเป็นตัวครูแล้วผิดปกติแล้วมันมีเริ่มกระทั่งมีเกิดเต็มรูปของตัวครูที่นี่เราเอาความหมายคำว่เกลี้ยงกันมากมากแต่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องการ จะอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็ตามอะความมีจิตเกลื่องนี่นแหละดีที่สุดเอาอย่างแรกกันก็มันเป็นความสุขนะเป็นความสุขสงบเย็นน่าจะจิตเครื่องนะถ้ามันจิตมันไม่เกลื่อนมันก็ร้อนแล้วก็วนกรวายถ้าอันแรกที่สุดจิตเครื่องก็มีความสงบสุขไม่ติดอยู่ที่อะไรไม่ไปเกาะติดอยู่ที่อะไรด้วยอุปาทาน นั่วก็มันเป็นอิสระสิมันเป็นเซลีแก่แก่ตัวเพราะมันไม่ไม่ไปเป็นธาตุของอะไรที่มันไปเกาะติดโดยความหวังนี่ก็มันมีมันเป็นอิสระแล้วก็มีปัญญาตามธรรมชาติของจิตที่เป็นอิสระถ้าเราตั้งใจจะเป็นอิสระจากกิเลสนั้นปัญญาต้องมันมีมาเพราอมันมันมีมาเต็มถ้าเป็นจิตที่แคล้วคล่องว่องไว ไม่งุ้มง่ามในการที่จะปฏิบัติหน้าที่อของจิตนี่ <c oughs> แล้วมันยังเข้มแข็งยังเข้มแข็งยังมั่นคงย่อมีสมรรถนะคือความสามารถสูงอในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของมันมีความสะอาดมีความสว่างมีความสงบอยู่ในจิตเกลี้ยง จะเห็นภาวะวิมุตตคือหลุดพ้นจากการบีบคั้นมุมห่อพัวพันของสิ่งใดๆพ้นจากกิเลสพ้นจากทุกข์มีลักษณะเป็นนิพพานอยู่ในขณะนั้นนิพพานเระว่าดับเย็นถ้ามันมไม่มีความรออ้อนแห่งกิเลสนั่เป็นนิพพานชั่วขณะก็เรียกว่านิพพาน โดยที่มันเป็นอย่างนั้นเองตามธรรมชาติผมจะซ้มอีกทีนึงว่าถ้าว่าจิตมันเตี้ยนคือโมกโมกแปลว่าเคตี้ยงอ่ะมันไม่ติดอยู่กับอะไรไม่ยึดมันอยู่กับอะไรแล้วมันเป็นอิสระเสยดีเมื่อมีปัญญาแล้วมันว่องไวแล้วมันแข็งแกร่งมั่นคงมันมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่มีภาวะ สะอาดสว่างสงบมีลักษณะหลุดพร่องจากกิเลสหลุดจากอำนาจของกิเลสหลุดจากอำนาจความทุกข์มีลักษณะเย็นตามความหมายคำว่านิพพานอยู่ในขณะนั้นจนความมันจะสูญเสียความเย็นมันก็นก็ไม่เย็นอย่างนี้เรานิพพานชั่วขณะเรียกว่าสามายิกานิพพานก็ได้เรียกว่าตะทงังคานิพพานก็ได้นิพพานชั่วขณะ ถ้าไม่โมกถ้าจิตไม่เคลี้ยงถ้าจิตไม่เคลี้ยงก็รู้โดยตรงกันข้ามเองคุณก็รู้อย่เขียนไปแล้วนะเป็นกลางเต้นถ้าจิตไม่เคลี้ยงมันก็คือมันติดอยู่ที่อะไรมันไม่เป็นอิสระมันโง่มันไม่ว่องไวมันโลเลอ่อนแอมันไม่มีสมรรถนะในหน้าที่มันไม่สะอาดไม่สว่างไม่สงบไม่หลุดจากกิเลสและความทุกข์ไม่มีความเย็น ที่เป็นลักษณะของนิพพานนี่เราเราจิตไม่เกลียงทีนี้รู้จักจิตเคลี่ยงกันกันแล้วนะรู้จักจิตเคลี่ยงกันดีแล้วอพอสมควรแล้วทีนก็มาดูถึงคนที่มีจิตเคลียยใใยล่ยงอยู่ในใจอยู่ในตัวจิตเคลี่ยงอยู่ใน อัตภาพนี่ไนะนั่นแหละสวนโมกอยู่ที่นั่นสวนโมกแท้จริงนะครับหมายธรรมาแท้จริง อ, อยู่ในจิตที่เกลื่อน <c oughs> ที่ถ้ดูออกมาภายนอกนก็พูดอย่างที่พูดนะคนชิดนี่ไปนั่งที่ในสวนไหนป่าไหนป่านั่นก็จะกลายเป็นป่าโมกหรือสวนนั่นจะกลายเป็นสวนโมก <c oughs> สวนโมกในะความหมายที่ที่สามที่ว่า มันมีคนจิตเกลี้ยงเข้าไปอาศัยอยู่ที่นั่นหรือว่ามันอยู่ที่จิตที่เกลี้ยงอันที่จิตที่รู้สึกจิตที่รู้สึกความเกลี้ยงที่นั่นก็มีส่วนมแล้วก็ออกมาถึงชั้นนอกสุดก็คืออยู่ที่นี่ไงอยู่ที่มู่ที่สองทังบนระเมนเปิดกายะนี่ผมอยากให้คุณสังเกตจนรู้ว่า เห็นเนื้อหาเน <izon> ือความที่เป็นธรรมะมันเป็นอย่างไรและวิธ right, ีการที่จะพูดหลายหลายปริยายหลายแง่หลายมุมนี่มันเป็นอย่างไรผมจึงพูดว่าการพูดครั้งนี้จะพูดให้ได้ความรู้อย่างน้อยสองด้านสองทิศทางคือวารู้ธรรมะด้วยรู้วิธีการพูดอย่างภาษาคนอย่างภาษาธรรมด้วย ความหมายลุกขึ้ไปก็ว่าถ้าคุณจิตไม่เกลี้ยงถึงคุณนั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่จะอยู่ในสวนโมกไมันจะจบประมาทหรือไม่ใช่แก่งดากได้นะถ้าคุณจิตไม่เกลี้ยงแม่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้อยู่ในสวนโมกอเพราะว่าคําว่าโมกโดยแท้จริงมันอยู่ที่จิตเกลี้ยงแต่ถ้าเราพูดภาษาธรรมด า, ฐา ก, ก็ถูกแล้วก็เรียกว่าอยู่ในสวนโมกนั่งอยู่ในสวนโมกมาอยู่สวนโมกนี่พูดภาษาธรรมดา <c oughs> ยึงแต่ว่าคุณมาจากกรุงเทพหรือมาจากจังหวัดไหนแล้วก็มาอยู่ที่ตรงนี้บ้านเลขที่หกสิบแปดหมู่ที่หกตำบลละเม็ดอำเภอชายาก็าพูดได้นี่อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นโลกิยาโวหารภาษาคนภาษาคนพูดอย่างภาษาโลกก็พูดอย่างนี้ว่าเรามาอยู่ที่สวนหกแต่ถ้าพูดภาษาธรรมะ ก, ก็ไม่ยอมอ่ะ ทั้า ม, ามายาคุณไม่ได้มาอยู่ที่สวนโมกข์เาะอกว่า่มันไม่เป็นสวนโมกท์ของเรคุณเพราะว่าคุณไม่มีจิตเกลี้ยงขอให้รู้ความหมายของธรรมะแหละรู้วิธีพูดว่าเราพูดกันโดยภาษาไหนแล้วเราก็จะไม่เถียงกันเหมือนภิกษุในเรื่องนิกายเซนสองคนนั่น ทะเลาะวิวาดกันว่าอะไรไหวคนหนึงว่าทงที่อยู่ปลายเสาเน่ยไหวคนหนึ่งว่าจิตของของของของคุณน่ยมันไหวถ้าเขามันเส็งแรงกันคนละทางนี่ก็ต้องเกิดการทะเลาะกันนี่หัวข้อที่ตั้งขึ้นว่าสวนโมกอยู่ที่ไหนมันตอบได้ถึงสี่อย่าง จดไว้ถูกคัดใช้ถูกก็เป็นทั้งสี่อย่างนะคือมันอยู่ที่พื้นดินตรงใจกับสมมติกันนั่นอย่างหนึ่งอยู่ที่จิตของผู้มองเห็นในรู้สึกมองเห็น น, น, นี่ภาษาธรรมดานะไม่ใช่ภาษาธรรมอะไรนะนะั่นนแล้วก็อยู่ที่ผู้มีจิตเกลี้ยงอาศัยอยู่ตรงที่ที่ผู้มีจิตเกลี้ยงอาศัยอยู่ช้นยอดสุดละเอียดที่สุดก็ อ, อยู่ในจิตสวนโมกอยู่ในจิต ของคนที่มีจิตเกลี้ยงในจิตเกลี้ยงของบุคคลนั้นมีสวนโมกอยู่ในจิตนั้นเนี่ลึกที่สุดแหละเ <c oughs> นี่ยมันมพูดได้ต่อไปว่าคุณอาจจะพาสวนโมกติดไปกรุงเทพด้วยก็ได้มันสามารถถ้ามีจิตเกลี้ยงไปอยู่ที่กรุงเทพกลับไปกรุงเทพเป็นต้นนะแต่สวนโมกมันก็ติดไปด้วย ส่วนโมกจะติดตามคุณไปด้วยได้อย่างไรมันก็อยู่ที่ตรงนี้อเพราะว่าไอ้สวนโมกที่แท้จริงมันอยู่ในจิตที่เคลี้ยงจะคุณกลับไปอยู่ที่กรุงเทพแล้วมันมีจิตเกลี้ยงขึ้นมาสวนโมกก็ไม่ไปอยู่ที่นั่นด้วยแคือมันอยู่ในจิตที่เกลี้งยงเนี่ยประโยชน์มันมากกว่ากันอย่างนี้จิตที่ไม่เคลี้ยงไม่อยู่ในสวนโมกนั่งอยู่ที่นี่ก็ไม่มีสวนโมก มันไม่มีสวนโมกสำหรับบุคคลนั่นไงสวนโมกมันมีเฉพาะผู้ที่มีจิตเกลี้ยงมาอาศัยอยู่หรือว่าจิตเกลี้ยงอาศัยอยู่สวนโมกอยู่ในจิตที่เกลี้ยงหรือว่าจิตที่เคลี้ยงอยู่ในสวนโมกถ้าคำถามมันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วระวังเอาห้ดี มันจะกลายเป็นโง่ที่สุดกลายเป็นฉลาดที่สุดนะสวนโมกอยู่ในจิตเตี้ยงหรือว่าจิตเตี้ยงอยู่ในสวนโมกตอบให้ดูแต่ว่านั่นแหละมันมันมันมันอยู่มันมันแล้วแต่ว่าเอาความหมายอย่างไหนกันแล้วแต่ว่าผู้พูดนันก็ใช้ความหมายอย่างไหน จิตที่เกลี้ยงอยู่ในสวนโมกอย่างเนี้ก็ ก, ก็ก็ไม่มีไม่มีถัดตาน ม, มีเหตุผเป็นคำพูดที่ไม่อัศจรรย์จิต <c oughs> เกลี้ยงอยู่ในสวนโมกอเพราะว่าในจิตเกลี้งนั้นมันมีสวนโมกกันแล้วมันไม่ต้องไปอยู่ในสวนโมกที่ไหนอีกนี่จะเรียกว่าพูดอย่างการลบตะแล่นก็ได้ แต่ไม่จะตั้งใจจะพูดอย่างตลบตะลั <c oughs> พูดต้องการกจะให้เห็นอัดเห็นตวามายอันลึกซึ้งเรือทิกแรงได้หลายปริยายแล้วแต่จติตปัญญา ถ้าขใจตามที่ว่านี่แล้วพระอาจจะทํามีสวนหมกอยู่ตลอดกาลหรือว่าอยู่ในสวนโมกได้ตลอดกาลกลับไปทิพบ้านนี้ไปอยู่ที่ไหนสองะกานใจจนกว่าจะตายอสวนโมกก็จะตามไปด้วยไปอยู่ในจิตใจของคนที่มีจิตเกลี่ยงถ้าจิตเกินไม่เกี้ยงเ ส, สวนโมกจะไม่นีครับ ว่าแต่เราจะไปอยู่ที่จิตทั่นเองมันก็พูดเล่นใช่ไหมแต่ไม่ใช่เรื่องพูดเล่นมันเป็นเรื่องที่ยู่งยุ่วกว่าธรรมดาที่จะต้องมองให้เห็นอดังนั้นมันก็สําคัญอยู่ตรงที่ว่าจะทําให้จิตเพื้ยงได้อย่างไรนะแต่ว่าจะถามใหม่ว่าสร้างเรือนโม ก, กันที่ไหนอย่างไรไปสร้างเรืองโม ก, กันที่ไหนมีคน พยาามมากนะก็จะสร้างสวนโมกขันที่จังหวดัดนั้นจังหวัดนี้เขก็พูดแล้วเขาก็พยายามมันเป็นเรื่องงมง่ายเป็นเรื่องโหเง่าที่สุดถ้าจะไปสร้างสวนโมกขที่ไหนไม่สร้างไม่จิตใจแล้วกัมันก็เป็นเรื่องโง่เง่างม ง, ง่ายอืมถ้าจะถามว่าสร้างสวนโมกขันที่ไหนก็ตอบให้ถูกที่สุดว่าสร้างในใจิตใจ จะไปสร้างที่เชียงใหม่หรือจะไปสร้างที่ภาคานเนี่าก็มีกัทรงมีมีคนพยายามจะสร้างนั่นอะไเรียกว่าพูดโดยภาษาคนธรรมดาถ้าจะจะพูดภาษาธรรมะภาษาจริงแท้แล้วก็สร้างกันในจิตใจทุกคนสร้างในจิตใจของตนของตน ความสาคัญมันจึงไปอยู่ที่การทําจิตให้เกลี้ยทีนี้เราก็ไม่รู้จักจิตคู่ไม่เชื่องจิตที่มีตัวกูเกิดแล้วอนะ่ะมันที่เหมือนจิน่น่าสังเกตหลายสิบขั้นตอนหลายสิบแม่มุมในการบรรยายข้าก่อนจิตอย่างไรเป็นตัวกูที่จิตไม่เกลี้ย ที่ถ้าเราไม่รู้จักสภาพที่ไม่เตี้ยนไม่รู้จักภาวะที่ไม่เตี้ยนแล้วเราก็ไม่อาจจะรู้จักภาวะที่เตื่ยน เ, เพราะว่ามันมันตรงกันข้ามอยู่เราจะต้องรู้จักตัวจริงของมันอย่างไรเตี้ยงอย่างไรไม่เที่ยนแล้วก็ดูเมื่อมันไม่เตี้ย มันกัดมาทุกปีนี่จิตไม่ตื่นที่ไรมันก็กลับกลัดอาทุกปีมันกลับอยู่กรอดกอบนีจิตใจมันคนนะที่เราก็ไม่รู้สึกว่ถูกกัดมันก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้ไปที่ก็ไม่ได้สนใจที่จะจัดการอะไรแต่ถ้าเรารู้จักมันตัวกูนั่นล้วก็รู้สึกว่ามันกลับอยู่กรอดกรอบนี่แล้วก็เกลียดขึ้นมา แล้วก็เบื่อหนายขึ้นมาในเรื่องของตัวกูหรือในเรื่องของความไม่เตี่ยนน่นาซอยรู้จักกิเลส ấy. แล้วะจะเกลียดกิเลสขึ้นมาเองเดี๋ยวนี้นที่เราไม่เกลียดกิเลสเพราะเราไม่รู้จักกิเลสนี่นก็วุ่นเต็มไปได้วยกิเลสแล้วเต็มกันทั้งโลกมันก็เป็นโลกของกิเลสโลกของไอ้ความวุ่นประจิตวุ่น ผ่าอาหารพนั้นเทวอจิตเพื่อนถงที่สุดจะเด็ดขาดเราต้นงจะเพียงบ้างไม่เพียงบ้างหรือกลับไปกลับมาเพียงไม่ถึงขนาดก็ยังไม่เรียกว่าเพีย ง, บ, ยงบางทีก็มันเริ่มเพียงที่แน่นอนเริ่มที่แน่นอนว่าจะเพียงก็ยังดีดีไม่ม <c oughs> ีเงื่อนอะไรลึกลับอะ่ะ ถ้าตาะมองเห็นแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรเลยพี่น้อความคิดรุนแ่งจนเกิดความรู้สึกเป็นตัวตนของตนหรือตัวผู้ของผูขึ้นในจิตเป็นสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันนี่คือสิ่งที่ขอร่องอย่างยิ่งขอให้สังเกตอย่างยิ่งขอจับให้ได้ เกิความรู้สึกว่าตัวครูของครูอยู่เป็นประจำในชีวิตแต่ละวันละวันอยู่ในที่ด่างแห้งก็เกิดง่ายมาก่สิ่งแวดล้อมมันเป็ น, เ ป, นเป็นทางนั้นอยู่ในที่ด่างแหงก็เกินยากหน่อยก็ไม่มีสิ่งช่วยแวดล้อมในทางนั้นนการที่มาอยู่ในสถานที่ที่เขาจับไว้ในลักษณะที่จะที่จะเป็นสวนโบกสําหรับเป็นอุปกรณ์แก่ ตามโมกมันกะง่ายหน่อยแหละเพราะว่ามันมีสิ่งแวดล้อมอิจจะส่งไปในทางเกลี้ยงมันก็เพียงง่ายหน่อยแต่ถ้าไป อ, อยู่ในสิ่งที่มีสิ่งแวดล้อมจะส่งไปทางไม่เกลี่ยงมันไม่เกลี่ยงค้าไปอยู่ในที่ยวยุ่วือนั้นต้อนี่กูว่จะพูดขึ้นมาได้อ ความหมายเราทาสสวนมุกในภาษาคนสวนมุกในภาษาธรรมสวนมุกในด้านวัตถุสวนมุกในด้านจิตใจหรือะจะพูดว่าสวนมุกนอกสวนมุกในก็ได้คุณพยายามเข้าใจคำเหล่านี้ทุกค้ดีธรรมะมันจะปรากปดแจ้งแก้งออกมาเองจะแตกช้านี่ธรรมะเองรู้จักความหมายคำว่าสวนมุกนอกกับสวนมุกในสิ สวนหมวกนอกก็คือแผนบุญนี่แหละสวนหมกในคือความเคร่งในจิตอยู่ในจิตอยู่ในศูนย์ของจิตคือจากสวนหมุกนอกสวนหมกในจนกระทั่งรู้ว่าโอ้เราอยู่ัแค่สวนหมกนอกมาชัยยะนันก็ถึงแต่สวนหมุกนอกมันยังมีสวนหมกในอีกทีหนึ่งที่จะตั้งไปจัดการให้จิตใจมันเข้าถึงสวนหมุกในคือ ความเต้นแห่งจิตที่มีอยู่ที่จิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วดังนั้นการจะมีส่วนโมกหรือไม่นันก็อยู่ที่การฝึกฝนอบรมจิตเองจึงเรียกว่าจิตตะพาวนาพาวนาเนี่ยแปลว่าทำให้มันจเจริญแต่ไม่จะไม่จเจริญอย่างรบรุงรัง มายจะให้ให้ใ ห, ให้ให้ดีขึ้นดีขึ้นไปในทางที่พุงประสงค์นะจนกระทั่งว่ามันไม่มีปัญหาจนว่ามไม่มีความทุกข์นั่นะเขาเรียกว่าภาวนาทำให้เจริญในภาษาพูดที่มันยากคุณอย่ายึดเัยคำพูดหรือเออตัวสอนที่ใส้นักเอาความหมายกาไม่สุกต้องเภาวนามันมันจะจะจะพูดว่าทาจิตให้มกนะ่งจะถูกที่สุดแตะ จิตภาวนาก็คือการทำจิตให้โมกข์นะถูกที่สุจิตตภาวนาก็ทำจิตให้มันใกล้ไปทางพระนิพพานนะถูกที่สุดคำว่าภาวนาหมายความอย่างนี้เพราะนั้ถ้าจะถึงสวนโมก์กันจริงๆมันจะรีบบำเพ็ญจิตตภาวนาทำจิตให้เจริญ แล้วมันก็จะกล้เข้าไปใกล้เขาไปแหละทุ่สวนหมกจริงได้กลายเป็นว่าไม่ต้องไปสร้างสถานที่ที่จะมีสวนหมกไม่ต้องไปสร้างสถานที่ กลายเป็นวต้องไปทําจิตตะภาวนาทำํทำจิตให้เจริญจิตเจริญคือเคลื่องเคลื่องจากกิเลสเลื่องเคลื่องจากตัวกูของคูเลื่องมากเข้าเคลื่องมากเข้าเคลื่องมากเข้าเรียกว่าจิตเจริญวิธีการคือรายละเอียดของการปฏิบัติมันจะพูดกันแล้วคราวอื่นหรือ่ามีอยู่แล้วในหนังสือ หาตำรัาตำราถ้าจะพูดให้ให้ให้ให้เข้ารูปให้เห็นให้ทีหนึ่งก็ ก, ก็ก็พูดได้เช่นว่าสิตสภาวนาทั้งหมดในพุทธศาสนามันก็คือสีนสมาธิปัญญา่บางทีก็เรียบเป็นอย่างอื่นว่า อริยมรรคทั้งที่สมรรหรือแม่เราจะพูดว่ามรรคเฉยเฉยถึงแ ป, งปลว่าหนทางก็ได้กัอพออนะเป็นหนทางแจกเป็น3ามอย่างคือพุกธสีนุสมาธิปัญญา สมาสัมมาวาจาสมากัมมันโตสมาาอาชิวนี่เป็นพวกสีสมาทิฏฐิสมาสังโปนี่เป็นพวกปัญญาสมาัาโมสมาสติสมาสมาธินี่เป็นพวกสมาธิเมื่อพูดว่ามรรคพูดตามหลักของมรรคจะเห็นชัว่าในในใน รูปโครงของมรรคท่านเอาปัญญามาก่อนแล้วยงถึงสีนี่ยึงถึงสมาธิแหลกดี <c oughs> นั่นเพราะว่าท่านพูดชนิดที่ว่ามันเป็นอมันเป็นที่เขาเรียกว่าพ <c oughs> <c oughs> ิเศษกล้องมือมีการปฏิบัติจริงๆ <c oughs> ถ้ามันพูดอย่างทฤริีกลองพูดอย่างคิดจะดี สำนรับแต่จะพูดมันก็พูดศีนก่อนสมาธิแล้วปัญญาพูดสีนสมาธิปัญญาพูดอย่างหลักวิชาอ <c oughs> แต่ถ้ามันพูดอย่างทำจริงปฏิบัติจริงมันกลายเป็นพูดว่าปัญญาศีนสมาธิเอาละเดี๋ยวนี้เราก็พูดอย่างหลักวิชาแล้วกันแล้วนะพูดว่าสีนสมาธิปัญญาเป็นเส้นสร้างคามเกลี้ยง้ศีมันก็ขัด ชำระสะล่างกายวาจาขึ้นขึ้นมาที่มันก็ชำระสะล่างจิตในระบบจิตเท่านั้นนะให้เตือนปัญญาก็ชำระสะล่างระบบสติปัญญาระบบปิญญาระบบปัญญานนความรู้รู้คุณสมบัต จิตเป็นความรู้ของจิตในเตี้ยนอย่างที่เราม่มีคำจะพูดเราก็พูดว่ากายจิตวิญญาณกายจิตวิญญาณอยากให้มันสับสนกันใช่ไไอ้เรื่องทางกายเรื่องล้วนนีม่มันขั้นขั้นหนึ่งยังลึกไปถึงจิตระบบจิตก็ระบบหนึ่งทีนี้ความรู้ของจิตสติปัญญาของจิตนะช่ไหมถ้ามันอีกระบบเนี่ย ไอ้กายนี่มันเป็นเรื่องเปลือกนอกเป็นคุปเปอร์เรียลิตี้ถึง้ามันเป็นจิตมันเมนตัลลิตี้มันไม่ใช่อันเดียวกันถ้ามันเป็นวิญญาณเป็นสเปริทิวัลเียลิภาษาฝรังมันพูดง่ายเพราะว่ามันก็แบ่งไว้มันมันมันง่ายดีชัดเจนดีง่ายดีแต่ภาษาธรรมะที่เราพูดกันอยู่นี่เราก็ใช้คําว่ากายว่าจิตเพราะถึงอันอันที่สามไม่รู้จะเรียกว่าอะไร ผมเรียกเองวอง่าระบบวิญญาณชั้นวิญญาณระดับวิญญาณมันก็ไปพัวกันยุ่งในวิญญาณชี้สรารวิญญาณอะไรทั้หมดไปเสียพูดลําบากนะครับอันนี่มันเป็นเรื่องเขาของภาษ า, า, าสเสียกับภาษาคุณไปเรื่องเองอว่ามันจะถือตามตัวหนังสือนักไม่ได้เ่ะคำศัพท์อีกช้า ง, งภาษาัา่างๆมันก็แปลว่าผีก็ได้แปลว่าเล่าก็ได้แปลว่าอะไรหลายอย่าง สเปริจิวังก็เป็นเรื่องผีเรื่องเล่าไรงเ้แต่ไม่ใ่อย่างนั้นเดี๋ยนี้เรงหมายถึงเรื่องปกติปัญญาของจิตแล้วก็สเปริจ hmm. <Mental Spiritual. S 2> mm ิวัลทิศก้าวเมนต้าสเปริจิวัลเขาบญญญาิไว้ทำหน้พูดง่ายง่ายจีนี mm ่ hmm. เราจรึงยืมเขาเข้ามาพูดนะในบางข่าวที่มันจำเป็นเพื่อประหยัดเวลาึ mm ่ง hmm. จึงพูดว่าระบบสี มันก็ทํากายให้เสื่อยงระบบสมาธิก็ทําจิตให้เสื่องระบบปัญญาก็ทําวิญญาณให้เสื่องคนที่เขาไม่ยอมฟังไม่ยอมร่วมมือเขาก็ไม่ไม่พยายามจะฟังไม่พยายา ม, ม, ยายามจะตีความอย่างนี้ก็เลยพูดจะไม่นนรู้เรื่องแล้วมันก็ไม่จ้องพูดกันแหละมันมีปัญหายุ่งยากงนติดําว่าวิญญาณะะแต่แค่เขาทุกข์ทีทางทุกตามเห็นไปย่างได้นะคะ ระบบคุดิระบบคิดถระบบกายระบบจิตระบบคิดถี่ที่มันไม่ใช่จิตแต่มันเป็นอะไเรื่องของบังหวองจิตต้องถูกชำระอีกทีหนึ่งกายเตือนเรียกว่ากายวีเวทคือกายมีอะไร อุปธิวิเวกก็วิเวกจากอุปธิคือวิเวกจากไอ้ความคิดผิดเห็นผิดหรือสิ่งที่มายื่อยึดถือสิ่งเป็นที่ตั่งความยึดถือมายื่อยึดถือนี่เราเรียกว่าอุปธิแปลว่าของหนักถ้าไปยึดถือกรั้งแรกมันก็จะเป็นของหนักถ้าไม่ถือก็ไม่หนักอะแต่ว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเป็นสิ่งสาหรับยึดถือ ข้างคนธรรมดาก็อลไรเรียกไอ้สิ่งเช่นนี้ที่สิ่งเหล่านี้ว่าอุปัติซึ่งแปลว่าของหนักน่าจะบุญกุศลคือความดีไปยึดถือก็เลยมันกลายเป็นอุปัตินมา ท, ทันทีแต่คนเขาไม่รู้เรื่องนี้เขาก็ยึดถือทั้งหมดยึดถือบุญเป็นของกูยึดถือชื่อเสียงเกียรติยศความดีความงามเป็นของกูมก็กลายเป็นของหนักชนกิดอุปัติ แล้วมันก็ไม่วีเวทมิ ญ, ญาณก็ไม่วีเวทเป็นประดุปฏิกายวิเวทวิเวททางกายจิตวิเวทวิเวททางจิตอุปัิวิเวทวิเวททางอของหนักคือไม่มีของหนักเหน่เกลีย้ยงเบิกวกเกลีย้ยงจึงพูดได้เลยว่าระบบประมาจันทั้งหมดทั้งสิ้เนี่ยคือพี่สี่ ทําให้เกลี้ยนศาสนาทั้งหมดธระมาจัก ร, รทั้งหมดอะไรทั้งหมดก <c oughs> ็คือพิธีการทําจิตให้เกลนนี้ยงเราก็วงที่จิตก็เพราะมันเป็นตัวที่จะยืนโรงได้ถ้าจิตเกลี้อนตายก็เกลื่อนวิญญาณก็เกลี้ยง <c oughs> ถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้าจะไม่พูดอย่างนั้นก็พูดได้ว่าระบบธระมาจัก ร, รทั้งหมดนี่ คือเป็นระบบการสร้างให้เกิดความเกลี้ยงทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางในวิญญาณทั้งทางทิกค่ะคามคิดความเห็นความเชื่อกวาอัตตาเรียกว่าทางวิญญาณพุทธศาสนาเมื่อไกลายเป็นเรื่องทําให้เกลี้ยงเรื่องกับความเจ้นเรื่องทําให้เกลีย้ยเนี่ยคือวิธีพูดมันซึ่งมันพูดได้หลายอย่างหลายคํา แม้ในเรื่องเดียวกันผมก็ได้บอกทั้งตนแล้วว่าให้ฟังให้ดีที่ผมจะพูดนะ่ะไปฟังให้ดีจะให้ได้ความรู้ทั้งเรื่องของธรรมะแต่ทั้งเรื่องของวิธีการพูดเดียวนี้มันชะนักอยูนะ่ไม่กล้าหน้าเพราะว่า้เรื่องการพูดเนะ่ยมันไม่สามารถจะพูดได้ตามที่ต้องการจะพูดหรือคนพูดมันพูดภาษาหนึ่งคนฟังมันฟังอีกภาษาหนึ่ง อหรือว่าคนฟังมันไม่สามารถจะเข้าใจภาษาอที่แปลกจากที่ตนเคยเคยรู้เคยเรียนคนหนึ่งผู้พูดพูดภาษาธรรมแต่คนฟังฟังภาษาคนมันก็เลยไม่รู้เรื่องเห็นเชินถามว่าตัวมุ่งอยู่ที่ไหนไอ้คนพูดภาษาคนมันก็ตอบอย่างไอ้คนพูดภาษาธรรมหรือภาษาจิตมันตอบอย่างอย่างอื่น นี่เรียกว่ามันพูดกันคนละภาษาไม่ไม่ใช่ภาษาต่างประเทศแต่มันมันเป็นภาษาที่ซ้อนลึกกันอยู่ในในภาษาเดียวนั่นแหละคือในภาษาไทยเนี่ยมันมีภาษาชั้นละเอียดฉั้นยาบเั้นละเอียดฉั้นลึกกันอะไรก็ตามคำนี้เขาจะเรียกว่ามีรกกคติ นิรุป ก, กตินะีน่รุนติหรือนิรุป ก, กติคนะือตารใช้ภาษารอนิรุป ก, กติให้ถูกต้องให้ต้องรดจประโยชน์ตามที่เราต้องการจะให้เขารู้หรือเข้าใจถ้าเราไม่เก่งทั้งนิรุป ก, กติหรือนิรุป ก, กติศาสตร์เนี่ยมันก็ทาไม่ได้ จะเดือนี้มันยิ่งกว่านั้นนีนิรุกติของชาวบ้านที่เขาใช้ันอยู่ตามบ้านตามเมืองมันมันเป็นนิรุกติระบบอื่นไม่ใช่นิรุกติในระบบของพุทธศาสนาที่ภาษาวัดภาษาศาสนาไมาา้โอเคของศาสนานิรุกติไอ้ภาษาที่ใช้พูดกันมันก็เลยเป็นสองอย่างหรือสามอย่างขึ้นมาเลยพูดกันไม่รู้เรื่อง ท่านคอยเข้าใจว่าการที่เราทําความเข้าใจกันไม่ค่อยจะได้แม้ในหมู่คนไทยพูดภาษาไทยด้วยกันนี่ก็ mm. เพราะเราไม่สามารถในการจะใช้ภาษาไทยนั่นเองเ mm. ไม่ต้องพูดทังภาษาต่างประเทศ mm. พูดไทยด้วยกันยังไม่ค่อยจะรู้เรน่องไม่เคยพูดให้ฝรั่งฟังรู้เรืผมว่าคนอวดดี ผู้ใดคนที่านฟังยังไม่รู้เรื่อน่าจะไปพูดในฝรั่งฟังรู้เรื่องมันเป็นคนอ ด, ดีตอันนั้มันก็อวดหรือพยายามไปตามเรื่องที่เขาพจะทําได้อะเพราะว่าถ้าพูดกันนานๆข้าวนานๆข้ามันคงจะเขาจะฟังถูกกันมากขึ้นมากขึ้นคนเดียวกับที่เราพูดไทยกันนี่ผมจะพูดเลยว่าที่ผมพูดครั้งแรกๆนั่นแหะคุณคงจะฟังถูกน้อยเข้าใจน้อย ก่ า, าการพูดข้างหลังๆเนี่ยฉันม้ปรากฏว่ามันพูดมา17ครั้งทั้งครั้งนี้ผมจึงเชื่อว่าการพูดข้างหลังๆเนี่ยคุณคงจะฟังถูกกันมากกว่าการพูดะครั้งแรกๆเพราะว่าเราได้ความรู้ทางภาษาคนและภาษาธรรมซึงมีอยู่หลายระดับน่ะมากขึ้นมาึ้น นั่งคอยจำไอ้นี่ว่าเป็นหลักทเทียบเทียนคือตัวอย่างซึ่งมันจะง่ายเช่นว่าสวนโมกอยู่ที่ไหนสวนโมกอยู่ที่แผ่นดินตรงนี้อย่างหนึ่งแล้วสวนโมกอยู่ที่จิตของผู้เหลือตาเห็นสวนโมกไงเข้ไปอยู่ในจิตของคนที่เหลือบตาเห็นสวนโมกแผ่นดินนี่แล้วสวนโมกอยู่ตรงที่ที่มีคนจิตเกลียนนั่งอยู่อแล้วก็สวนโมกแค่จริงอยู่ในหัวใจของคนจิตเกล่อน อยู่ทางกลางหัวใจคนที่มีจิตเปี้ยงมันซีความหมา ย, น, ยนี่เรียกว่ามันเป็นนิรุ ก, กติการใช้ภาษาที่มันเลื่อนล้ำกันอยู่เป็นชั้นๆถ้าคุณจะพยายามศึกษาอเรื่องการพูดจาหรือการใช้ภาษานี่ให้มากขึ้นมากขึ้นพร้อมกับที่ความรู้ทางธรรมะมันมากขึ้นมากขึ้นสมว่าจะดีที่สุดในการที่จะเรียน เอ า, เอาหรือว่าในการไป่จะสอนผู้อื่นออกไปเรามีอยู่สองหน้าที่เนี่ยเราจะเรียนรับสมาเพื่อตัวเราในภายในหรือว่าเราจะทายทอดออกไปยังผู้อื่นในภายนอกถ้าเราไม่ใจช้าในภาษาถ้ า, ามันก็ําบากอย่างนี้อยู่ในลักษณะที่เรียกว่า ไม่มีทางที่จะประมาทอ่ะไม่มีทางที่จะอวดดี่ต้องทําอย่างที่เรียกว่าประณีตสุขุมละเอียดละออมีความไม่ประมาทอย่างยิ่งมันจึงจะไปสําเร็จสําเร็จเอาแล้วสรุปความ <c oughs> การพูดอการบรรยายครั้งนี้เราพูดเรื่องโดยา พูดโดยก็อสวนโมกอยู่ที่ไหนกคำตอบไปสี่อย่าส่วนโงกจะติดตามคุณไปได้อย่างไรตอบเองอส่วนโงกจะติดตามคุณไปในที่ในที่ทุกคนทุกแห่งได้อย่างไรถ้าเพื่อเด็กฟังก็ว่าบ้าคนพูดบ้าแล้วในส่วนโงกติดตามคนแต่ละคนไปทุกคนทุกแห่งได้อย่างไรไอเ้เด็กๆมันนี่คําพูดนี่บ้าที่สุด ไม่อยากจะฟังแต่ความจริงมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่ว่าสวนโมกโมกภาวะโมกถ้ามันติดตามไปได้ทุกคนทุกแห่งที่ว่าคนมันไปมีจิตโมกอยู่ที่ไหนมัน้นสมจริงว่าทาให้ดีกลับไปบ้านลาปิดขาออกไปนะน้อยเอาสวนโมกไปด้วย นี่ฉะนั้นการมาสวนโมกเป็นโมฆะแล้วก็สรุปในทุดว่าอาค่มันอยู่กับคุณตลอดการตลอดชีวิตเลยให้คุณมีจิตเคพื่อนจิตว่างมีชีวิตเป็นจิตเคพื่อนจิตว่างจนตลอดชีวิตเนี่ยเป็นผลอย่างยิ่งไม่เป็นโมฆะเลย ถึงดสนใจวิธีการที่จะฝึก้นจิตบำรุงจิตรักษาจิตควบคุมจิตให้มันเครื่องอยู่ตลอดเวลาเนี่คือเรื่องที่พูดวันนี้สรุปความได้อย่างนี้เวลาก็หมดนะในการพูดจ้ามันเป็นเครื่องถ่ายทอดเป็นเครื่องมือถ่ายทอดถ้าเครื่องมือถ่ายทอดไม่ดี หรือว่ามันไม่รู้กันมันก็รับไม่ได้การถ่ายทอดความรู้มันเกิดก็เป็นไปไม่ได้มันรับไม่ได้เมื่อเครื่องรับวิอยุมันไม่ดีหรือมันไม่ตรงกันหรือไม่มันก็รับไม่ได้จดไไดดงศึกษาพร้อมๆกันไปทั้งเรื่องธรรมะและทั้งเรื่องวิธีการพูดและการฟังด้วย ถ้าไ ม, มีการฟังมันมก็ไม่มีการพูดที่เรียกว่าสําเร็จประโยชน์เมื่อพูดถึงว่าพูดแล้วมันก็ต้องรู้ทั้การฟังด้วยสรุปสรุปเป็นหัวข้อสั้นๆจําง่ายไม่ลืมก็ค่ะมันเตีอยนที่ไหนมันจะมีโมกที่นั่นมันเตี้ยนที่ไหนมันก็มีสวนโมกที่นั่น <c oughs> เมื่อนนั้นเวลานั้น คำว่าโมกนี่มันเป็นคําแทนชื่อทิ่นิ่มคือคำว่านิพพานพระคาเทศธรรมวัตรแบบโบราณเขาเรียกว่าสีวะโมกมหานิพพานเข้าสู่สีวะโมกมหานิพพานคำว่าโมกนั่นหมายถึงนิพพานสีวะแปลว่าเย็นโมกแล้วักเปรีย้ยวมหานิพพานนิพพานใหญ่ที่เปี้ยวที่เย็น เรื่องมือไม่มีความหมายแห่งตัวกู้พอมีความหมายตัวกูสกปรกรกรุงรังในความคิดไม่รู้สึกอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวกูม้ไม่ถือว่าสกปรกรกรุงรังเป็นของธรรมดาตามตามธรรมดาของจิตพอมันมีความหมายแห่งตัวกูในความคิดไม่รู้สึกนั้นถึงจะเรียกว่าสกปรกรกรุงรังคือไม่เกลี่ยนคือไม่ว่างต้อมีตัวตนที่ อะไรอันหนึ่งก็มาแปรเีเลยไม่ว่า